ซึ่งทำหน้าที่ให้ธรรมะเผยแผ่ธรรมะแก่สาธุชน ญ, ญาติโยมผู้สนใจในการศึกษาและปฏิบัติธรรมเป็นประจำซึ่งธรรมะนั้นบางทีกัปตมาก็นำธรรมะปฏิบัติมาสู่ท่านสาธุชนและบางวันก็จะนำธรรมะบรรยายเพื่อที่จะมาให้ความรู้แก่ท่านผู้ฟังรายการที่กำลังติดตามรับฟังอยู่ในขณะนี้ซึ่งตอนนี้ก็ ไดอาราธนาหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยชยะมังคลโลมาพูดคุยกับสาธุชนผู้ฟังรายการเกี่ยวกับปัญหาของการแก้ไขปัญหาครอบครัวด้วยธรรมะคราวที่แล้วนั้นได้นำเสนอเกี่ยวกับเรื่องการแก้ไขปัญหาทางครอบครัวว่าด้วยเรื่องปัญหาสังทางเศรษฐกิจและวันนี้อาตมาจะได้นำการแก้ไขปัญหาครอบครัวด้วยธรรมะว่าด้วยทางด้านจิตใจ มาสู่ท่านสาธุชนซึ่งก็น่าสนใจเลยทีเดียวจึงขอเชิญท่านสาธุชนมาติดตามรายละเอียดในสารธรรมจากหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยโดยพร้อมกันญาติโยมสาธุชนทุกท่านวันนี้เรามีโอกาสได้มาพบกันอีกในหัวข้อสนทนาธรรมที่ว่าการป้องกันแก้ไขปัญหาชีวิตในครอบครัวด้วยธรรมะอีกเช่นเคยนะ สืบเนื่องมาแต่การสนทนาธรรมในหัวข้อเดียวกันนี้ซึ่งอัตมาภาพได้กล่าวถึงปัญหาชีวิตครอบครัวซึ่งหมายจำเพาะหรือย่อลงมาปัญหาชีวิตครอบครัวในส่วนที่เป็นของสามีภรรยาและ ในเรื่องเกี่ยวกับการเศรษฐกิจมาแล้วว่ า, าปัญหาเศรษฐกิจตกต่ำภายในครอบครัวนั้นมีมูลเหตุมาจากอะไรและมีวิธีป้องกันแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจครอบครัวยักได้อย่างไรโดยธรรม ท, ทีนี้อีกปัญหาหนึ่งซึ่งมักจะพบเห็นเกิดขึ้นเสมอเสมอ ในครอบครัวคือในระหว่างสามีภรรยาก็คือปัญหาทางด้านจิตใจกล่าวคือปัญหาความสัมพันธ์อันดีในระหว่างครอบครัวเนี่ยจางหายไปและบางครอบครัวก็ถึงกับมีปัญหาแตกแยกเป็นเหตุเป็นปัจจัยกระทบกระเทือนถึงสมาชิกในครัวเรือนอื่นๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งลูกหลานให้ได้รับ ความทุกข์เดือดร้อนตามไปด้วยเราจะเห็นว่าในเรื่องของจิตใจนั้นสามีภรรยานั้นก่อนที่จะมาตกลงร่วมชีวิตกันนั้นย่อมต้องมีความเข้าอกเข้าใจรักใคร่ปลองดองกันพอสมควรจึงจะมาตกลงใจที่จะมาใช้ชีวิตร่วมกัน อั น, นี้อัตมากล่าวถึงในส่วนใหญ่แต่ว่าพอปรากฏว่าเมื่อมาใช้ชีวิตร่วมกันมากเข้ามากเข้าแล้วสิ่งที่น่าจะสังเกตอีกอย่างหนึ่งก็คือว่าไอ้ความดีความจริงใจที่เคยมีต่อกันเนี่ยมันจางหายไปมันจางหายไปและความที่จางหายไปนั้นผู้ที่มีความรู้สึกว่าตนเองเป็นผู้ที่ มีคุณภาพในทางสภาวะร่างกายและจิตใจดีกว่ามั่นคงกว่าผู้หญิงแต่ในขณะเดียวกันนั้นผู้หญิงเมื่อแต่งงานไปแล้วมีสภาพในทางสรีระร่างกายที่ย่อหย่อนลงไปตามวัยเร็วยิ่งกว่าผู้ชายเพราะสภาพสังขารร่างกายของผู้หญิงโดยส่วนรวมเป็นเช่นนั้น เป็นเหตุให้สภาพจิตใจก็พลอยอ่อนแอตามไปด้วยและนี้เป็นเหตุเป็นปัจจัยที่แทรกซ้อนอยู่ในปัญหาของชีวิตทางด้านของจิตใจเราจะพบว่าถ้าว่าครอบครัวใดหรือคู่สามีภรรยาใดเมื่อใช้ชีวิตร่วมกันไปแล้วถ้ายังคงดำรง คุณความดีความจริงใจต่อกันดีอยู่ครอบครัวนั้นมีความสุขความเจริญยิ่งยิ่งขึ้นไปแม้จะยากดีมีจนถ้ามีความเข้าใจกันแล้วจริงใจต่อกันแล้วและรู้จักมีความเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันแล้วปฏิบัติต่อกันด้วยดีแล้วมีความสุขสุขจะยิ่งกว่าบุคคลที่อยู่ในฐานะสูง อยู่ในฐานะที่มีเงินทองมากมายหรือมียศถาบรรดาศักดิ์มากมายแต่หาความสุขไม่ได้ความสุขนั้นคือความสันติสุขนี่หาไม่ได้เรามาดูว่าไอ้ความสันติสุขมีไม่ได้นักหนักเข้ากลายเป็นปัญหาแตกแยกภายในครอบครัวเป็นเพราะเหตุไรที่เห็นอยู่เสมอก็ทุสีนีกแหละโดยเฉพาะอย่างยิ่งในข้อที่หมกมุ่นอยู่ในกรมมาคุณ ไม่ว่าจะชายก็ดีหรือหญิงก็ดีถ้าหากว่าไปหมกมุ่นอยู่แต่ในกามคุณนักนักเข้าความเคยชินในบ้านก็ให้เกิดความปรารถนาต้องการที่เรียกว่าตันหาที่จะเสพใหม่ๆยิ่งยิ่งขึ้นไปถ้าว่าฝ่ายหญิงหรือฝ่ายชายมีความรู้สึกอันนี้ คือมีตันหาทยานอยากอยู่เสมอหรือเรียกว่าตันหาราคาอยู่เสมอแล้วก็เป็นเหตุให้ทยานอยากไปในพัสดุกรรมหรือพูดกันอย่างตรงไปตรงมาก็คือว่าไปหาสุกนอกบ้านมากขึ้นเพียงไรนี่ย่อมนำมาซึ่งความทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจแก่คู่สมรสและ สมาชิกในครัวเรือนโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือบุตรอย่างยิ่งทีเดียวเพราะฉะนั้นปัญหาเรื่องทุศีลจึงเป็นปัญหาสําคัญที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงว่าถ้าครอบครัวหรือวงตระกูลใดมีบุรุษหรือสตรีหรือตั้งบุรุษหรือสตรีผู้ทุศีลให้เป็นใหญ่คือเป็นพ่อบ้านแม่เรือนแล้วตระกูลนั้นตั้งอยู่ไม่ได้นานเพราะจะต้องเสื่อมเสีย ทงรัพย์สินและชื่อเสียงเกียตรติคุณความดีของตระกูลนั้นจะต้องถึงซึ่งความย่อหยับไปในที่สุดไอ้ความทุสินไม่จะเพียงเท่านั้นที่นำความทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจมาสู่คู่สมรสยังมีข้ออื่นอื่นอีกแม้กระทั่งการติดอบายามุขอย่างอื่นเช่นเป็นผู้ติดสุรายาเมาเป็นผู้ติดเที่ยวกลางคืน เป็นผู้ติดการพานันซึ่งมีผลให้ทั้งระบบเศรษฐกิจภายในครอบครัวเนี่ยเสียหายตกต่ำแล้วยังทำลายสุขภาพกายทั้งตนเองและผู้อื่นที่ต้องมีความทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจไปด้วยและทำลายสุขภาพจิตด้วยเรียกว่าเป็นมูลเหตุสำคัญอีกประการหนึ่ง ที่จะนำไปสู่ความแตกแยกได้เพราะว่าบุคคลที่ว่าถ้าลองติดไปในทางด้านกามาคุณติดในทางเที่ยวกลางคืนติดสิ่งเสพติดมึนเมาให้โทษอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทติดการพนันแล้วไม่ฟังใครใครจะพูดดีเท่าไหร่ไม่ฟังทั้งนั้นเมื่อไม่ฟังแล้วอีกฝ่ายหนึ่งก็ย่อมมีความทุกข์และเมื่อไดร้รับความกระทบกระเทือนทั้งทา ง, ท ง, ทงด้านเศรษฐกิจทางด้านจิตใจแน่นอนละ่ะ ความทุกข์เดือดร้อนเกิดขึ้นและอาจจะถึงกับความแตกแยกได้นี่ว่าแต่เฉพาะเรื่องทุศีลข้อเดียวอีกประการหนึ่งก็คือว่าอยู่ด้วยกนันนานๆไปนในบางรายขาดความเห็นอกเห็นใจกันขาดความรักใคร่ปรารถนาที่จะให้ฝ่ายหนึ่งเป็นสุข ขาดความเวทนาสงสารเมื่ออีกฝ่ายหนึ่งเป็นทุกข์โดยที่บุคคลไม่ว่าจะเป็นฝ่ายสามีหรือฝ่ายภรรยาเป็นบุคคลที่ไม่มีความรับผิดชอบขาดความรับผิดชอบต่อครอบครัวขาดความรับผิดชอบต่อคู่สมรสและแม้แต่ต่อบุตรหลานของตนเองอันนี้แหละเรามักจะพบเห็น อันนี้เพราะอะไรเพราะว่าบุคคลผู้เป็นใหญ่ในครัวเรือนไม่ว่าจะเป็นสามีหรือภรรยาเป็นผู้ที่ลุกแก่อำนาจราคะโลภโทสะโมหะความหลงหลงตนเองหลงแก่หลงตายแล้วก็อาศัยใจของตัวเป็นใหญ่ที่ชื่อว่า หน้ตาธิปไตยจะทําอะไรก็เอาตามอารมณ์ของตนไม่สนใจใครทางนั้นสมาชิกในครัวเรือนคู่สมรสลูกหลานครอบครัวจะเป็นอย่างไรช่างขอให้ฉันมีความสุขก่็แล้วกันหรือขอให้เป็นไปตามใจของฉันก่อนแล้วกันประเภทนี้มีอยู่ถ้าว่ามีบุคคลที่เป็นพ่อบ้านแม่เรือนหรือเป็นผู้มีอํานาจในครอบครัวนั้นเป็นบุคคลที่ลุกแก่ ราคะโลภโทสะโมหะและถืออัตตาธิปไตยคือถือตนเป็นใหญ่แล้วว่าอันนี้นำความกระทบกระเทือนมาสู่ครอบครัวกระทบกระเทือนทั้งบางทีก็ถึงร่างกายด้วยอาจจะมีการทะเลาะเบาแวงทุบตีกันได้บางทีก็รำมวยใส่กันเชียวละ อ, อ, อย่างนี้เป็นต้นแล้วก็ถึงจิตใจที่สำคัญที่สุดจิตใจ เป็นผู้ที่ไม่รู้จักเห็นอกเห็นใจผู้อื่นเอาแต่ใจตนขาดเมตตากรุณาพรหมวิหารนั่นเองเพราะฉะนั้นข้อนี้เป็นเรื่องสำคัญสำหรับการครองเรือนแต่าหากว่าท่านผู้ใดรู้จักมีเมตตากรุณาพรหมวิหารทำคือรู้จักรักจริงใจต่อครอบครัวรู้จัก เวทนาสงสารคู่สมรสหรือบุคคลภายในครอบครัวว่าความสุขนั้นใครๆก็อยากได้แต่ความทุกข์ใครๆไม่ปรารถนาถ้ารู้จักเห็นใจซึ่งกันและกันว่าอยากจะปรารถนาที่จะให้สมาชิกในครัวเรือนของเรามีความสุขอย่าได้มีความทุกข์ย่อมประพฤติปฏิบัติไปในแนวทางที่เป็นธรรมมาธิปไตยไม่เป็นอัตาตาธิปไตยคือไม่เอาแต่ใจตน แต่ถือธรรมะเป็นใหญ่เพราะฉะนั้นคู่สมรสใดที่รู้จักเอาใจเขามาใส่ใจเราแล้วประพฤติปฏิบัติต่อกันด้วยความจริงใจที่เรียกว่าสัจจะจริงใจต่อกันแล้วครอบครัวนั้นมีความสุขจะยากดีมีจนยังไงมีความสุขแต่ถ้าหากว่าขาดคุณธรรมดังกล่าวนี้แล้วต่อให้อยู่ในฐานะไหนมีความทุกข์ ไม่เรไม่ฝ่ายหนึ่งทุกก็อีกฝ่ายหนึ่งทุกหรือไม่กระทุกทั้งสองฝ่ายแต่แน่ละมันต้องมีฝ่ายหนึ่งที่เป็นทุกข์แล้วทีนี้เมื่อมาเห็นเหตุเห็นปัจจัยว่าความทุศีลโดยเฉพาะอย่างยิ่งความหมกมุ่นในกิเลสกามความติดในอบายามุขเป็นนักเลงผู้หญิงนักเลงสุรานักเลงการพานันติดเที่ยวกลางคืนทั้งหลายเหล่านี้ เป็นเหตุเป็นปัจจัยกระทบกระเทือนถึงทั้งฐานะเศรษฐกิจของครอบครัวด้วยกระทบกระเทือนถึงร่างกายและจิตใจของคู่สมรสหรือสมาชิกในครัวเรือนด้วยและเห็นต่อไปว่าความไม่รู้จักเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกันไม่มีความจริงใจต่อกันประพฤติปฏิบัติต่อกันไม่เป็นไปอย่างหรือไม่เป็นไปเยี่ยง คู่สามีภรรยาที่ดีแล้วครอบครัวนั้นมีแต่ความทุกข์และทุกข์หนักๆเข้าก็ถึงความแตกแยกแตกแยกหนักๆเข้าก็แน่ละเดือดร้อนไปทั่วนะฮะนอกจากนั้นสำหรับธรรมะที่จะนำมาป้องกันแก้ไขปัญหาในเรื่องเกี่ยวกับ ความสัมพันธ์อันดีต่อกันหรือความแตกแยกภายในครวัวเรือนเนี่ยให้มันดีขึ้นหรืออย่าให้มันเสียลงให้มันมีแต่ความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปนะอาตมาใคร่จะแนะนําประการสําคัญที่สุดก็คื อ, คอพึงเป็นผู้มีศีลอย่างน้อยศีลห้าและโดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อกาเมสุมิชา่าจานพึงเป็นผู้มีความสันโดษในคู่สามีและภรรยาของตน ทว่าไม่มีความสันโดษฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไม่มีความสันโดษและอีกฝ่ายหนึ่งเป็นทุกข์เดือดร้อนเสมอไปที่อัตมาพูดในใยว่าอัตมาตลอดชีวิตจะเป็นคนดีมาตลอดหาไม่ได้ได้ผ่านความที่ไม่ดีไม่ถูกต้องในสมัยที่เป็นคารวาสมาแล้วเห็นความทุกข์เดือดเนื้อร้อนใจทั้งฝ่ายคู่สมรสและฝ่ายแม้ตนเองตลอดทั้งลูกหลานมาแล้วจึงได้ขอแนะนําท่านทั้งหลายว่าจงเป็นผู้มีศีล อย่างน้อยสี่ห้าให้บริสุทธิ์โดยเฉพาะอย่างยิ่งข้อการเมสุมิชฌาจารย์พึงเป็นผู้มีความสันโดษในคู่สามีหรือภรรยาของตนและอย่างนั้นเป็นอันสันทิสุขอย่างยิ่งพึงมีความจริงใจมีสัจจะต่อกันเราเคยสัญญากันไว้อย่างไรในทางที่ถูกที่ต้องในทางที่ควรก็ควรจะยอมรับและปฏิบัติตามนั้น และพึงเป็นผู้มีธรรมเป็นใหญ่มากกว่าถือเอาอารมณ์หรือใจตนเป็นใหญ่คือเป็นผู้ที่มีธรรมมาที่ปะไตยอย่ยาเป็นผู้ที่มีอัตตาที่ปะไตยเอาแต่ใจตัวเป็นใหญ่นอกจากนั้นข้อประพฤติปฏิบัติที่จะป้องกันแก้ไขปัญหาในครัวเรือนก็คือพึงเป็นผู้มีพรหมวิหารธรรมมีเมตตากรุณาธรรม รู้จักรักครอบครัวปรารถนาให้ครอบครัวมีความสุขรู้จักเวทนาสงสารสมาชิกในครัวเรือนอย่าได้คิดให้เขาเป็นทุกหรือว่าอย่ายินดีเมื่อเขาเป็นทุกนะฮะแล้วก็ให้พึงมีมุธทิตาพรหมิหารต่อกันคือว่าเมื่อทั้งสองฝ่ายต่างปรารถนาดีต่อกันมีความเจริญรุ่งเรืองและสันติสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปแล้วนั่นพึงยินดี พึงอนุโมทนาพึงส่งเสริมให้มีเช่นนั้นได้สำหรับธรรมะอีกสองสามประการซึ่งจะนำมากล่าวอันนี้ก็ล้วนแต่เป็นหัวข้อธรรมะที่จะนำความสันติสุขและร่มเย็นมาสู่ครอบครัวคือรู้จักมีขันติความอดทนอดกลั้นอดกลั้นต่ออะไรอดกลั้นต่อความชั่วและอดกลั้นที่จะฝืนถ้าหากว่ามันฝืนใจ ที่จะประพฤติความดีต่อกันไม่ทำลายซึ่งกันและกันและแม้แต่ในการดำเนินชีวิตก็มีความอดทนมีความอุตสาหะวิริยะในการประกอบกิจการงานที่ชอบแล้วก็มีความอดทนอดทนอดทนต่อซึ่งกันและกันด้วยนะไออยู่ในครัวเรือนนี่ต้องอดทนกันนะเพราะว่าใครจะทำให้ถูกใจซึ่งกันและกันหมดร้อยเอร์ซเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องมีเรื่องที่ว่า บางอย่างมีความเห็นแตกแยกกันบ้างแต่ว่าให้สามารถที่จะพออดทนกันได้และก็พึงอดทนซึ่งกันและกันแล้วก็พึงช่วยกันรักษาถนอมน้ําใจซึ่งกันและกันไม่ต้องให้อีกฝ่ายนึงต้องอดทนอดกลั้นอย่างยิ่งและตนก็ทําร้ายทําลายจิตใจของอีกฝ่ายหนึ่งอยู่ตลอดเวลาอันนี้เป็นการกระทําที่ไม่ถูกไม่ควรนี่แหละได้ชื่อว่าเป็นผู้มีธรรมมาธิปไตยนอกจากนั้น เป็นผู้ที่มีความขมใจและมีความเสียสละขมใจนี่ขมใจยังไงขมใจว่าถ้าเผื่อว่ามันจะมีเรื่องกระทบกระเทือนใจกันบ้างเราก็อย่าถือสากันมากนะละกันไปบ้างหนวกบ้างบอดบ้างคือไม่เอาเรื่องกันไ ป, ไปเซ็ตทั้งหมดอภัยให้แก่กันบ้างนะแล้วอย่างนี้แล้วก็ไม่มีปัญหาแล้วก็รู้จักเสียสละความสุขส่วนตนเพื่อคู่สมรสของเรา ถ้าอย่างนั้นแล้วก็ดีนักหนาเชียวแล้วอันหนึ่งนะอัตมาใครัจะเจริญพรให้ทราบใจมันต่อใจนะถ้าหากฝ่ายหนึ่งทุ่มเทจิตใจให้ด้วยความเสียสละด้วยความจริงใจด้วยความปรารถนาดีต่อกันแน่นอนย่อมได้รับความรักความซื่อสัตย์จงรักภักดีต่ออีกฝ่ายหนึ่งแน่นอนเพราะใจมันต่อใจแต่ถ้าว่าไม่จริงใจต่อกันไม่ซื่อต่อกันแล้วไม่มีปัญหาหรอกมันแตกแยกกันแน่ และจะให้เขามารักเราฝ่ายเดียวจงรักพักดีแต่เราฝ่ายเดียวเป็นไปไม่ได้แล้วสําหรับสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงธรรมเป็นข้อธรรมะเป็นข้อปฏิบัติเอาไว้เรียกว่าทิศหทิศเนี่ยทิศ ต, ต่างๆเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ทรงแสดงถึงทิศเบื้องหน้าคือข้อปฏิบัติระวางสามีภรรยาว่าสามีนั้น พึงอุปการะภรรยาด้วยการยกย่องนับถือว่านี่คือภรรยาของเราไม่ใช่ไม่ให้เกียรติภรรยาบางคนนี่อยู่กับภรรยาแล้วไม่ให้เกียรติภรรยาตามที่ควรตามที่เหมาะสมแน่ละแล้วจะไปเอาความจงรักภักดีจากภรรยาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นการให้เกียรติแก่ภรรยา การนับถือว่าเป็นภรรยานี่เป็นทั้งวัฒนธรรมและเป็นทั้งคุณธรรมด้วยที่พระพุทธองค์ทรงสั่งสอนแนะนําให้ฝ่ายสามีพึงปฏิบัติต่อภรรยาและไม่ลบหลู่ดูหมิ่นภรรยาด้วยบางคนเห็นภรรยาเป็นช้างเท้าหลังและไม่เช็แต่หลังอย่างเดียวไม่รู้อยู่เมืองไหนก็ไม่รู้เหล่านี้เป็นต้นนะฮะลบหลู่ดูหมิ่นภรรยาและมันจะไปได้เรื่องอย่างไรนะปัญหาระหองระแหงในครอบครัวต้องมีแน่นีนอกจากนั้น อย่าประพฤติล่วงใจภรรยาเพราะว่าสามีภรรยานี่บางท่านหรือในยุค ป, ปัจจุบันนี่มันหมดสมัยซะแล้วที่ว่าสามีทำได้แต่ภรรยาทำไม่ได้แต่ความจริงแล้วสามีภรรยานั้นหัวใจมีก้อนเลือดก้อนเนื้อเหมือนกันมีความรู้สึกเหมือนกันสามีไปหาความสุขภายนอกไอ้ภรรยาก็ต้องเรียกว่าช้าใจถ้าเรารู้จัก เอาใจเขามาใส่ใจเราถ้าภรรยาเราไปมั่งเลยจะเป็นยังไงเราก็โมโหเหมือนกันแบบเดียวกันเพราะฉะนั้นไอ้ความประพฤตินอกใจซึ่งกันและกันเนี่ยไม่พึงมีและก็พึงให้ในสิ่งที่ควรให้แก่ภรรยาเช่นเครื่องแต่งกายหรื อ, อของฝากของติดมือสินน้ำใจอะไรก็แล้วแต่เล็กๆน้อยๆที่น่ารักกระจุมกระจิ๋มมันก็ช่วยให้ ชีวิตครอบครัวดีขึ้นแล้วก็มีความรักจงรักภักดีต่อกันและกันส่วนว่าฝ่ายภรรยานั้นเมื่อสามีบำรุงด้วยอย่างนี้แล้วภรรยาควรจะเป็นผู้จัดงานที่ดีไม่ใช่ว่าทิ้งให้บ้านเรือนรกรุงรังหรือว่ามีหน้าที่กิจการงานใดก็ไม่ดูแลให้เรียบร้อยอย่างนี้ก็ใช้ไม่ได้และนอกจากนั้นพึงเป็นผู้สงเคราะห์บุคคลข้างเคียงของสามีเฉยหยาิหรือเพื่อนด้วยดี ไม่ใช่ว่าไม่เอาไหนเลยอย่างนี้มันก็ใช้ไม่ได้แล้วถ้าว่าเป็นอย่างนั้นแล้วจะไปโทษว่าสามีนั่นไม่ให้เกียรติเราก็ไม่ได้เพราะว่าเราทำไม่ดีแล้วให้รู้จักรักษาทรัพย์ที่สามีหามาได้ม่ให้สูญหายไปไม่ใช่ว่าเป็นแม่กระเชือก้นรั่วใช้จ่ายทรัพย์เกินตัวหรือสรุยสรย้ย และประการสําคัญที่สุดคือพึงเป็นผู้ขยันหมั่นเพียรในกิจการงานโดยเฉพาะอย่างยิ่งกิจการงานในบ้านให้เรียบร้อยดูแลทั้งสารทุกสุขดิบของสามีและบุตรอย่างนีเออ้เป็นอย่างดีแล้วอย่างนี้ชีวิตในครอบครัวผาสุขแน่เพราะฉะนั้นวันนี้อาตมาก็ได้แนะนําธรรมะที่จะนํามาซึ่งความสันติสุขและร่มเย็นภายในครอบครัวด้วยความจริงใจเห็นอกเห็นใจซึ่งกันและกัน แล้วก็ความสงบสุขในครอบครัวความสันติสุขและร่มเย็นย่อมเกิดมีเป็นที่สุกกายสบายใจบริการทุกฝ่ายด้วยประกาศใะชนี้วันนี้อธิมาภาพขอยุติธรรมบรยยายไว้แต่เพียงนี้ก่อนโปรดติดตามรับฟังตอนต่อไปในคราวหน้าสำหรับวันนี้ขอความสุขสวัสดีจงมีแด่ญาติโยมทุกท่านสวัสดีอูชาจะอูชนียญานะัง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 ตั้งแต่เวลาแปดนาฬกาเป็นต้นไปเดือดร้อนมีทุกใจเข้าวัดไซกราบพระพุทธชัยมงคล ขณะนี้สาธุชนกําลังติดตามรับฟังรายการธรรมะสู่สันติที่จบไปนั้นก็เป็นสารธรรมจากรายการซึ่งวันนี้อาตมานํามาสู่ท่านสาธุชนผู้ฟังเพื่อที่จะให้เป็นกําลังใจแก่การดําเนินชีวิตในปัจจุบันเพราะถ้าเราปราศจากศีลปราศจากธรรมแล้วบางทีก็จะทําให้เราสับสวนวุ่นวายกับภาวะเศรษฐกิจในปัจจุบันเช่นกันอาจจะทําให้เราว้าวุ่นวิตกกังวล ในเรื่องของปัญหาครอบครัวจึงนำธรรมะของหลวงพ่อพระมหาเสริมชัยมาฝากท่านสาธุชนคิดว่าคงจะเข้ากับสถานการณ์ในปัจจุบันก่อนจากกาันวันนี้อาตมาขอส่งท้ายด้วยพุทธศาสนสุภาษิตซึ่งมาในวิตตสูตรพระไตรปิฎกเล่มที่สิบเหเล่มที่15ห้าหน้าที่ห้าสิบแปดความว่าปัญญาชีวิง ชีวตตมาหุเศษถังแปลว่าคนที่มีชีวิตอยู่ด้วยปัญญาบันดิตกล่าวว่ามีชีวิตที่ประเสริฐรายการธรรมสุสันติในวันนี้ขอลาท่านสาธุชนไปก่อนขอเชิญสาธุชนโปรดติดตามสารธรรมจากรายการได้ในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้อาตมาภาพขออ้างเอาคุณพระศรีรัตนไตร จงโดนบันดาลให้ญาติโยมสาธุชนผู้ฟังทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญปราศจากทุกโศกโรคภัยมีอายุมั่นขวัญยืนโดยทั่วหน้ากันทุกท่านทุกคนเทินเจริญพร